นิทานเรื่องสุนัขผู้ บริเวณป่าช้าใหญ่ป่าช้าใหญ่ซึ่งอยู่ชาน มีหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่และทุกสุขหน้าที่คอยดูแลความ ตลอดนี้และเสด็จกลับเข้าๆก็ ดังนั้นเมื่อเสร็จภารกิจแล้วๆ และเครื่องรับต่างๆเหมือนอย่างที่เคย พวกเจ้าหน้า ขอ...ขอเดชะ มีอะไรแลรถมาตรวจเลยหา ทำลายนับแต่นี้ไปขาดได้เหรอนับแต่นั้นมาไปถ้าพวกเจ้าพบต่าง เมื่อไม่ทราบว่าจะวันหนึ่งได้โอกาสจึงเข้าไปถามถึงสาเหตุได้ ทำไมพวกเจ้าจึงมาอยู่รวมกันที่นี่มากผิดใช่เรื่อง เพราะพวกโรจะโทค่าตายเหมือนเพื่อน เป็นไปไม่ได้นะที่พวกอ้าวอืมข้าว่ามันน่า กลับเราควรจะเป็นผู้เปิดเผยความจริงในเรื่องนี้เอาละตายเราควรจะเป็น ได้ตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังพระ จนเขาสามารถใช่ แต่ก็เชื่อน่ะว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นการที่พระองค์ พระองค์ทรงลำเอียงพระองค์สั่งให้ฆ่าเฉพาะ พวกจะสืบหาสาเหตุความจริงซะก่อน เอาล่ะเจ้าแสนรู้แล้วเจ้ารู้เหรอว่าสุนัขไว้ พระเดชพระบดสั่งต้อนพวกสุนัขกลัวมา คำตามที่พญาสุนัขแนะนําหลังอภัย กาสุนัขทั้งหมดรวมทั้งทูล นิพาลเรื่องนี้สอน